บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงโครงสร้างในสติปัฏฐา น, นสุตซึ่งทรงแสดงธรรมะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมมาโดยลำดับ สำหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเวทนาที่ทรงจำแนกแสดงไว้เพื่อเกิดผลประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติในระดับต่างๆในชั้นต้นนั้นเพิ่งเข้าใจว่าเวทนาก็คือเป็นขันอย่างหนึ่งที่จริงเป็นอาการของจิตอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่สวยอารมณ์ ว่าจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่จะทุกข์ไม่ช่สุขก็ตามอาการที่จิตเสวยอารมณ์ในลักษณะนี้ผมเรียกว่าเวทนาซึ่งปัจจัยที่จะให้เกิดเวทนานั้นอนจาจจะมาจากภายในก็ได้จากภายนอกก็ได้แต่จะเรียกว่ายังไงก็ตามเวทนาก็มาจากแหล่งอยูหกแหล่งด้วยกัน คือเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นจนถึงกระจใจสึกนึกถึงอารมณ์วันเวลาทรงเรียกเวทนาในแง่ที่ให้บุคคลมองเห็นเป็นกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นมาจจะเหตุปัจจัยจึงทรงใช้คำภาษาบาลีว่าจั ก, กุสัมผัสชาวเวทนาเป็นต้น ซึ่งแปลเป็นใ้ใจความว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยซึ่งหมายความว่าอารมณ์หนั้นจะปรากฏเป็นรูปของความสุขความทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามเฉพาะในกรณีนี้เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปและจากจุดนี้เอง เราทำให้บุคคลมองเห็นว่าเวทนาบางอย่างไม่เป็นที่พอใจหรือต้องการของตนเพราะเมื่อมันเกิดจะตาเห็นรูปแต่เราไม่ดูเสเลยไอ้ทุกขเวทนาเหล่านั้นก็จะไม่เกิดได้ไหมเราจะพบว่าถ้าเราไม่สนใจหรือไม่ดูเสเลยเวทนาที่เกิดขึ้นจะกตาเป็นเหตุก็จะไม่ปรากฏ แต่ถ้าจะปรากฏก็ปรากฏมาจากสายอื่นมาจากหูฟังเสียงจากจมูกรุมกลิ่นจากลิ้นริมรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจเป็นเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์ซึ่งลองสังเกตว่าบางครั้งเช่นมีคนตายหน้าอเ น, นตนาหรือหน้าหวาดกลัวเราเองไม่ได้ไปเห็นท่าศพเหล่านั้น แต่จะมีใครมาล่าฟังเราก็เกิดความกลัวขึ้นมาสแสดงว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นการเกิดขึ้นจากหูได้ยินเสียงไม่จะเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปแต่บางทีแม้ในขณะนั้นจะไม่มีใครบอกก็ตามคือไม่มีใครบอกในรูปรายละเอียดต่างๆก็ตาม เพียงแต่ได้ยินข่าวใจมันก็เหนียวนึกปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาโดยอาศัยอารมณ์ในอดีตที่มีอยู่ก่อนก็ามาปรุงแต่งขึ้นมาก็เป็นอาการกลัวผีนอนหวาดผวาไปด้วยระการต่างๆเราจะเห็นได้ว่าทุกเวทนาในขณะนั้นเกิดจากใจไปเหนียวนึกถึงอารมณ์แล้วจริงก็มาปรุงกันมาปรุงกันเองคือตกแต่งขึ้นมาเอง อารมณ์ในอดีตเหล่านั้นที่จริงเมื่อเกิดแล้วในอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใกล้ๆจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นแต่ก็เราเอาสองเรื่องนั้นมาปรุงกันขึ้นมาคิดเองหวาดกลัวเองสะดุ้งเองนอนกุมโป่งเองจนถึงกับจับไข้ไปเองก็ได้นั่นคือลักษณะของทางเกิดแห่งเวทนา หรือจะเป็นสุกก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมันจะเกิดมาจากประสาทสัมผัสทั้ง6แต่เวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอกดัง ก, กลา่าวก็ใกล้ๆ ก, กับลักษณะของอากาศลักษณะของอาหารลักษณะของสถานที่เป็นต้น มันจะกอให้เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขแก่บุคคลได้แตกต่างกันแม้จะเป็นลักษณะอากาศอย่างเดียวกันหรืออหารชนิดเดียวกันหรือสถานที่เดียวกันแต่เราเห็นว่าปัจจัยภายนอกในขณะนั้นเสมอกันแต่ปัจจัยคกอเงื่อนไขที่ใจเก็บความรู้สึกต่อสิ่งนั้นไว้ภายในไม่เหมือนกันคนยังมีความรู้สึกแตกต่างกันแม้ในอารมณ์เดียวกัน ปัจเมื่อเวทนาเป็นขันเวทนาจึงเป็นองค์ธรรมที่สรงสอนไว้โดยในย่าต่างๆเป็นนันมากหรือไม่ได้เจาะเอาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ว่าคนฟคังจะหาประโยชน์จากเวทนาในระดับไปได้ไดก็จะสรงสอนในระดับนั้นเช่นเวทนาบางอย่างที่เกิดขึ้นแก่คนซึ่งตกอยู่ในหลุมบ่อของอภัยิมุกประสบความทุกข์ความเดือดร้อนการพัดพราก การล้มละลายการต้องขอทานเขาต่างๆเป็นต้นภาพของบุคคลเหล่านั้นก็ปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นๆเราเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เขาแล้วในขณะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าต้องการจะสอนคนบางพวกให้มองเห็นโทษของอบายญย ม, มุกเก็ชี้ที่บุคคลนั้นให้ดูซึ่งเป็นทุกเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้น แล้วจะทรงดึงกลับไปถึงเหตุที่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นมาก็จะทรงเล่าประวัติความเป็นมาของบุคคลเหล่านั้นการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดของบุคคลเหล่านั้นแล้วมาจบอยู่ในจุดนี้คนก็จะได้เกิดความขยาดหวาดกลัวกฎเว้นไม่เดินไปในสายนั้น เพราะอไรเพราะเราปลัวทุกข์ที่ปรากฏขึ้นแกบุคคลอื่นแสดงว่าในขณะนั้นเราก็เรียนเวทนาจากบุคคลอื่นไม่ได้เรียนเวทนาจากเราเพราะเวทนาจันนั้นยังไม่เกิดขึ้นแก่เราในชั้นนี้ก็เรียกว่าชั้นศีลธรรมจัญญาคือช่วยคนงดเว้นสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกขเวทนาเธอทุกขเวทนาบางอย่างนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะช่วงสั้นๆอย่างนั้น แต่ด้วยบาของอกุศลกรรมที่บุคคลกระทำนั้นถ้าว่ากระทำแรงๆแล้วเกิดทุกเวทนาในชาติปัจจุบันนั้นแรงๆเจนประสบทุกเวทนาอย่างสาหัสไฟไหม้บ้านยาพิษน้องเหมือนพรากจากไปเกิดภัยประราชาไปถูกยาพิษหรือประสบอันตรายรารจนถึงพิกลพิการไปจนถึงก็งตายไปเป็นต้น ถาเปการเรื่องราวบุคคลเหล่านั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเพียงแต่เราดึงมาให้ดูเท่านั้นเองเป็นคนหวาดกลัวต่อเขตแห่งทุกเวทนาทั้งหลายก็คือกลัวบาปนั่นเองแลยเพื่อเห็นว่าเมื่อทําไปแล้วไม่ใช่ว่าเราได้ทุกเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นยังจะประสบความทุกข์ในอบายภูมิอีกต่อไปก็จะทรงแสดงทุกข์ในอบายภูมิไว้ด้วยประการต่างๆ โดยจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วต้องการในคนเว้นเหตุแห่งความทุกข์เว้นบาปเว้นอกุศลนั่นเองเพราะเป็นทางของบาปของอกุศลเมื่อบุคคลเว้นบาปอากุศลแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแก่เข้าไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นเรื่องของเวทนาก็คือเวทนาแกจะปรากฏอยู่ทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตเนื่องจากเป็นขันดังกล่าวแล้ว เพียงแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีดีมา ก, ด, มากดีน้อยนั่นเป็นรายละเอียดแต่เวทนาแกก็จะมีอยู่สามสายอย่างนั้นคือสุขทุกข์และก็ ก, กลางๆซึ่งตันสาตุชนบึกสังเกตว่ามาตามกระแสของกุศลมาตามกระแสของธรมธรมะธรรมะท่านก็มีสามอย่างคือกุศลอกุศลและก็ ก, กลางๆการกระทำของคนก็จะมีสามอย่างคือดีไม่ดีหรือกลางๆ ผลผลจะเกิดขึ้นจากการกระทําจึงมีออกมาในลักษณะสามอย่างคือเป็นบุญเป็นบาปแล้วก็ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปผลเกิดขึ้นจากการกระทําก็ทําให้บุคคลได้สุขได้ทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขผลที่ต่อเนื่องไปในชาติหน้าก็คือเป็นนรกเป็นสวรรค์ผลในชาตินี้ก็เป็นความเสื่อมความเจริญหรือความเสื่อมความเจริญที่ไม่ปรากฏอะไรชัดเจนมากนะักลักษณะของบุคคลบางประ ประเภทที่ทรงแสดงว่ามืดมามืดไปหรือว่าสว่างมาสว่างไป ห, หมายความทั้งด้านเสื่อมแลด้านเจริญไม่ปรากฏเด่นชัดมากนะดัง น, นั้นเมื่อพวกนี้เป็นกระแสของธรรมในสายกระแสของกุศลธรรมพระพุทธเจ้าก็จะทรงชี้ผลที่เป็นความสุขของบุคคลในขณะนั้นๆบ้างของเทพอุตรเทธธิดาในสวรรค์บ้าง ของพรหมในพรหมโลกปังเพื่อจะให้บุคคลมองเห็นว่าผลที่เป็นสุขเวทนาที่ลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลำดับจนถึงสุขที่ไม่มีทุกข์เจือปนคือนิพพานในสุขนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุก็คือการละบาปบำเพ็ญบุญ ไปโดยลาดับจนถึงก็จิตใจของตนผองแผ้วปราศจากอสวะกิเลตทั้งหลายก็จะเข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์โดยฉันว่ากลายเป็นแรงผลักดันทั้งสองฝ่ายคือเป็นแรงผลักดันให้ห ล, ลีกหลีกหนีเหตุแห่งความเสือ่อมเป็นแรงผลักดันให้หลีกหนีเหตุแห่งความเจริญ เ, เป็นแรงผลักดันให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเดินไปบนเส้นทางที่จะประสบความเจริญในรับต่างๆ แต่ว่าการแสดงเหล่านั้นบางครั้งก็อาจจะใช้เป็นตูวคนก็ได้เช่นในมงคลลัษณที่ทรงแสดงเสวนาจะบาลานังปันนิตานั่นจะเสวดาคือการไม่เบผ่านการเข้าปัณฑิษหรือยเจนว่าการคข้ผ่านนั้นจะเป็นเหตุแต่งทุกขเวทนาด้วยประการต่างๆทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวตลอดถึงคําพบคำชดัด การพบบัณฑิตนั้นจะเป็นเหตุแห่งความสุขความจเจริญในระดับต่างๆทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวเช่นเดียวกันเราก็ส่งสอนสำหรับบุคคลบางคนที่ยังไม่สามารถจะไปคิดปีนิจเจตพิจารณาธรรมะในแนวที่ลึกซึ้งอย่างนั้นได้ก็ให้ดูที่คนให้ดูที่คนซึ่งเขาเป็นผ่านแล้วก็คบกับคนผ่านหรือคนดีที่ไปคบผ่านรประสบความพิบัติหดือรอนอย่างไงประสบความทุกข์อย่างไรบ้าง แล้วคนที่ยังไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่ก็ไปโคกับบัณฑิตหรือแม้แต่คนชั่วที่ไปโคกับบัณฑิตหรือบัณฑิตที่ไปโคกับบัณฑิตมีความสุขความเจริญก้าวหน้าอย่างไรงก็เป็นภาพที่มองเห็นก็อยู่ในขณะนั้นๆแล้วจะสะท้อนเหมือนกันคือจะสะท้อนไปในแนวเดียวกันกับที่ว่ามาแล้วอจนถึงมรรคผลนิพพานไปจนถึงตะตกนรกหมกไหม้ไปตามสายของคนที่เขาเข้าไปคบหาสมาคมด้วย ในการเรียนเวทนาจึ ง, งสอนให้ดูเวทนาทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกดูเวทนาที่เป็นภายในดูเวทนาที่เป็นภายนอกดูทั้งภายในและภายนอกดูทั้งอดีตดูทั้งอนาคตดูทั้งปัจจุบันดูทั้งหยาบดูทั้งละเอียดเป็นต้นการเวทนาในในัยยะหนึ่งจึงสอนให้มองในรูปของปรากฏการธรรมชาติไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถืออะไร เพรา ะ, ะไรเปิงจริงๆแล้วแม้แต่สุขมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโลกยสุขทั้งหลายที่มีการไขว่คว้าปรารถนากันโดยวิธีการต่างๆตามแรงผลักดันของกามาตัญหาบัาง้งภาวะตัญหาบั้งและแม้แต่วิภวะตัญหาบัาง้งบุคคลปรารถนาสถานะความมีความเป็นกันมากมายกายกองด้วยกัน และจะได้สุขเพราะความเป็นเหล่านั้นแต่ก็จริงแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องประเดี๋ยวประเดาชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์เจือปนอยู่มากๆเลยทั้งไปเต้ว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตมากๆมีทรัพย์สินเงินทองมากๆมีค่าทาสบริวารมากๆคือถ้าหยุดวิเคราะห์ตรวจสอบดูแล้วเราจะพบว่า ไอ้ความสุขที่เข้าใจกันนันที่จริงมีความทุกข์แฝงเร้นอยู่มากเือกันมีความมีตัวกังวลต้องมีการอารักขามีการป้องกันมีการอยู่เวรยาดต่างๆเป็นต้นแต่อย่างนั้นก็คือเงินที่จะต้องสแสวงหามาด้วยความเห่ยยากลาบากเพื่ออารักขาตนเองผู้ปน ป, ปลือตัวเองบำรุงเบื่อตัวเองแต่การมองในแนวนี้จิตใจจะต้องสะอาดมากแล้วจึงจะมองเห็นได้ อย่างเช่นพระมหากษริั์ที่สละราชสมบัติออกพนวดในสมัยพุทธกาลหลายหลายพระองค์ด้วยกันเช่นว่าพระมหากรีดาหรือพระพัตธิยะทั้งสองพระองค์นั้นเมื่อบวชไปแล้วปรากฏว่าบำเพ็ญเพียรจนบรรลุมรรคผลไปแล้วท่านไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามท่านจะเปล่งบอกอาโหสุขขังอาโหสุ ข, ขัง ซึ่งเปรียวสุกจริงสุกจริงหรือสุกน้อสุก น, อ, นอก็แล้วแต่จะแปลจนภิกษุทั้งหลายเกิดสงสัยว่าคงท่านคงเจ้าขวัญรำลึกถึงราชจะสมบัติบ้างจึงได้เปลงลว่าสุกนอสุกน อ, นอก็นําไปเข้าไปกราบทูนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รับสั่งเรียกให้เข้าเข้าก็เพื่อจะให้ภิกษุได้แนวในการปฏิบัติจึงรับสั่งสอบถาม ท่านทั้งสององค์ก็กราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้อยู่แลว้วว่าพระองค์เปล่งไปเพราะประรบอะไรแต่พระเจ้าก็รับสั่งว่าก็ต้องการให้เธอเล่าเองเพราะเป็นการเล่าจากปากนั้นมันรู้สึกจะหนักแน่นมากกว่าท่าน ก, ก็เล่าออฟังว่าที่ท่านเปล่งว่าสุขขังสุ ข, ขังโอโหสุขขังโหสุขังนั้นก็เพราะว่า ประลบถึงเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือสุขที่สัมผัสในปัจจุบันนั้นเป็นความสุขที่โปร่งเบาสบายจริงๆรงิมันผิดกับความสุขในสมัยที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้จะมีการราคาค่อมล้อมกันด้วยวิธีการต่างต่างก็ตามแต่่าส่วนลึกๆแล้วไม่ค่อยมั่นใจยังมีความบิตกกังวลแขงเร้นอยู่ภายในใจ กลัภัยกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นจากภายนอกบ้างจากภายในบ้างจากคนใกล้ชิดบ้างเพราะนั้นท่านจึงไม่ได้สุขในราชมีสมบัติจริงๆแต่พอออกบวชมาปรากฏว่าได้รับความสุขจริงๆซึ่งไม่เคยได้มาก่อนเลยแต่การจะมองให้เห็นในแนวนี้อย่างที่บอกแล้วว่าใจจะต้องสะอาดขึ้นถ้ายังไม่สะอาดก็จะมองในแนวของการยึดติดอยููเรื่อยไปคอยคว้ากันอยู่เรื่อยไป และจิตใจเราก็จะประสบความสุขความทุกข์คือหมุนวนกันอยู่ดีวยวเองแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่าสุขก็มีความทุกข์่อมล้อมอยู่มากมายตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจไม่ได้เสวย อ, อยู่ที่ตัวสุขนั้นแต่ไปเป็นห่วงเป็นใยถึงปัจจัยให้เกิดความสุขหรือสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดความสุข จนได้ขณะที่ว่านอนรู้สึกเป็นสุขห่วงใหยประตูหน้าต่างหวงใยลูกหลานห่วงใยทรัพย์สมบัติหวงวงใยบ้านช่องหลังอื่นๆหวงใยกิจการงานต่างๆตกลงว่าใจแทนที่จะอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ก็เล่นไปในอารมณ์ต่างๆบางคราวอาการหนักมากกานอนมือกายหน้าผากวิตกกังวลหนึ่งเรื่องนั้นหนึ่งนี้ทั้ ง, ง, ทงๆที่น่าจะนอนให้สลับก็ปรากฏว่าหลับไม่สบาย มรณเวทนาในแนวนี้จึงส่งสอนให้รู้ถึงสภาวะความจริงเพราะว่จริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเมื่อไปเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดแล้วก็เกิดแกใครๆก็คือกันเช่นสมมติว่าคนที่เรียนจบการศึกษาแล้ว ก็เกิดชื่นชมยินดีเฉลิมฉลองในผลที่จบการศึกษาก็เหมือนกันอย่างนั้นหรือใครใครเรียนจบก็เป็นอย่างนั้นก็จะจะลองหรือไม่ฉลองก็คือกันเพราะจึงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเท่านั้นเองแม้รู้เท่าทันได้ระดับนี้อย่างน้อยที่สุดใจก็จะไม่ยึดติดในเวทนามากนะัก ประสบทุกเวทนาขึ้นมาก็จะรู้เท่าทานมันเป็นก็มันอย่างนี้เองอากาศร้อนเราบอกว่าร้อนเดีวคนอื่นก็ร้อนก็ความร้อนเกิดขึ้นขนาดนี้มันก็ต้องร้อนมันก็เป็นธรรมดาครับมันแล้วจะเกิดขึ้นแก่ใครก็ตามทุกคนก็ต้องรู้สึกว่าร้อนถ้าขนาดนี้ เนร้อนมากหรือร้อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับเกลือนไขต่างกาแล้วแล้วในขณะเดียวกันอาจจะมองว่ามันก็อยู่ไม่ได้นานมันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเช่นในช่วงขณะนี้เราจะพบว่าอากาศกร้อนจัดแต่ก็จริงร้อนจัดจริงๆมันช่วงก่อนจะเชี่ยงกับลังเชี่ยงนิดหน่อยแล้วก็จริงก็มีไม่กี่ชั่วโมง ไม่ใช่แกร้อนครบทั้ง24ชั่วโมงต้องมีบางชั่วโมงหรือเพียง 3-4 ชั่วโมงแต่นั่นเด็ที่ร้อนจัดแต่ก็ไปมาพิจารณาเทียบเคียงอีกทั้ง2 0ก่าชั่วโมงที่แกไม่ร้อนจัดมันก็ดีแล้วที่แกไม่ร้อนให้เพิ่มขึ้นกว่านั้นเพราะอากาศร้อนมันก็ทนอยู่ได้เพราะเรามองเห็นว่าไม่ได้มากเกินไปมันยังมีโอกาสที่จะสัมผัสอากาศซึ่งร้อนน้อยกว่านั้น อะไที่สำคัญอย่างยิ่งคือมองในแง่ของความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรปวนของเวทนาเหล่านั้นคราวนี้ยันที่เคยยกตัวอย่างเพราะว่าเป็นอารมณ์เดียวกันที่พระเจ้าทรงสแสดงถึงโล ก, กธรรมทั้ง8ประการคือลาบยศสรรเสริญสุขซึ่งท่านจังหลายจะสังเกตว่าก็คือเหตุได้เกิดสุขเวทนานั่นเองคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกก็คือเหตุได้เกิดทุกเวทนานั่นเอง เพราะเวทนาจึงเป็นผลมาจากลาบยศ ส, สันเสริญสุขแล้วก็เสริมลาบเสริมยศอินธาตุทุกขเพราะเราจะพูดตรงหัวก็ได้คือพูดตรงลาบยศ ส, สันเสริญก็ได้แต่พูดที่เสริมลาบเสริมยศอินธาตุทุกก็ได้หรือพูดเฉพาะตัวผลคือเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆก็ได้แต่อาศัยลาบอาศัยยศอาศัยสุขอาศัาสายสันเสริญอาศัยความสุขก็เป็นเหตุใ้เกิดสุขเวทนาขึ้นมา แล้วเการมองในแนวรวมๆหมายความว่าการได้อะไรก็ตามที่เป็นรู ป, ปรวัตถุทั้งหลายสิ่งนั้นท่านรวมเรียกว่าลาบคือสิ่งที่เราได้มายศก็คือความเป็นใหญ่เหนือบุคคลทั้งหลายบ้างโดยฐานันดรศัก์ต่างๆบ้า ง, างโดยเกียรติยศชื่อเสียงไปที่ยอมรับของบุคคลทั้งหลายบ้างก็รวมเรียกว่ายศ การยกย่องสรรเสริญโดยรูปแบบใดก็ตามก็เรียกว่าสรรเสริญความสุขในชั้นต่งตางๆท่านก็สรุปรวบเป็นสุขไปเลยจะพูดง่ายๆอย่างนั้นเพราะนั้นเวลาพูดถึงโลกธระทำท่านก็เกาะกลุ่มเป็นสเป็นฝ่ายละสี่เพราะาอาการของสิ่งเหล่านี้ก็คือเวทนาหมายความว่าถ้าโลกธรรมที่น่าปรารถนาลับยศสรรเสริญสุขก็ออกมาเป็นรูปสุขเวทนา ในส่วนที่เสริมราบเสริมยศถินธาตุทุกก็ออกมาในรูปของทุกขเวทนาแต่ทุกมากทุกน้อยสุขมากสุกน้อยก็เป็นรายละเอียดอย่างที่ว่าแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีความลดหลั่นแตกต่างกันในเชิงของเหตุปัจจัยแม้จะจากภายนอกเองและจากความรู้เท่าทันในเรื่องภายในด้วยเอยตัวอย่างว่าผลประโยชน์ทั้งหลายบางคนต้องการความสุขจากเรื่องนี้ตน จนถึงก็ประสบความทุกข์ด้วยในขั้นของการสแสวงหาในขั้นของการครอบครองในขั้นของการที่สิ่งนั้นเสื่อมสลายไปจริงๆเราต้องการไ่อยควาหาสุขแต่ก็จริงแล้วความทุกข์กลับมากกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าพวกามทั้งหลายนั้นมีสุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มากคือเทียบอาจาเฉลี่ยกันแล้วว่าความทุกข์ในการสแสวงหาวัตถุกามทั้งหลายแบบ น, นั้น บบการได้สะวยผลของวัตถุกรรทั้งหลายแต่ความทุกขในการแสวงหาในขั้นของการครอบครองในการต่อสู้ป้องกันในยามที่สิ่งเหล่านั้นเสื่อมสลายไปเนี่ยบุรุษคุณหารกันดูแล้วจะพบว่าความทุกข์นั้นมากกว่าความสุขซึ่งไม่ได้ปฏิเสธความสุขเพราะโลกิยสุพพระภ菩萨นาก็ยอมรับแต่เพียงแต่ว่าทรงสอนให้พิจารณาบกลุคุณหารดูแล้วเราจะพบว่าความทุกข์นั้นเกิดมากกว่าความสุข บางครั้งเรามีของที่มีค่าที่มีค่ามากๆก็กเป็นห่วงใจวิตกกังวลแล้วดูดูนั่งดู ด, ดงเดน๋วไม่ได้ใช่อะไรแต่จิตใจเราเวลาของเราต้องสูญเสียไปเพราะสิ่งที่ต้องการจะดูเ น, นันเองมากมายเหลือเกินบางครั้งบางคราวแกอาจจะนำภัยอันตรายมาให้เพราะพอถึงจุดหนึ่งพระเจ้าก็ทรงสอนให้มองในแง่ขอ ง, ของความเป็นสภาวะธรรม จะเป็นสุก็ตามไม่จะทุกไม่จะสุขก็ตามไม่ไปเอาจริงเอาจังอะไรมันมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอย่างนั้นเองเรียกว่ารู้เท่าทันถึงความจริงพอสุเกิดขึ้นก็รู้ว่าขนาดนี้ความสุขได้เกิดขึ้นก็ยอมรับนะว่าเป็นสุขแต่ว่าจริงสุขนั้นก็ไม่เฉียงเป็นทุกขมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันสุขได้มันก็ลดได้มันก็เพิ่มได้ มัน ก, กลายเป็นทุกข์ได้หรือกลายเป็นกลางๆ ก, ก็ได้ก็ไม่รู้มันเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเองเพราะเราจะไม่หลงเพลิดเพลินอยู่กับความสุขจนเราจะพบว่าที่เรามีคําพูดดูประโยคหนึ่งที่ว่ารักสนุกทุกทข์ทันขึนคือเราเพลิดเพลินกับความสุขมีการเฉลิมฉลองกันบางครั้งก็ประสบความปิดพตาอุบัติเหตุอะไรต่างๆ เรือล่มบ้างรถคว่ำบ้างอาคารสถานที่พังลงไปบ้างนี่เห็นไหมว่าเราไปติดในตัวสุขนั้นมากเกินไปจนถึงก็เฉลิมฉลองก็กลายเป็นความประมาทไปรวมทุกก็ไปยึดถือรุนแรงเกินไปคล้ายๆก็อยู่กับเราตลอดไปจนถึงก็ตั้งคําถามมาทําไมจึงต้องเป็นเราที่จริงไม่ใช่เป็นเรามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง เันเวลาทุกข์มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็มองในแนวเดิมว่าเดี๋ยวนี้ทุกข์แล้วบังเกิดทุกทุกได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกข์นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเาะั้นแกทุกข์ได้แกก็สุขได้แกก็เพิ่มได้แก่ก็ลดได้แก่ทุกข์มากขึ้นก็ได้ลดลงก็ได้กลายเป็นสุขก็ได้หรือกลายเป็นเฉยๆก็ได้แล้ววันหลังแกก็เพิ่มขึ้นมาในดับเดิมอีกก็ได้ก็ไม่แน่โดยคายๆกัลักษณะของอากาศ หาวร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าก็สร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์แก่บุคคลแล้วก็จริงมันไม่ยั่งยืนอะไรไประเดีงก็หายไปหรือในรูปของกลางๆเราก็มองในแง่ที่เป็นกลางๆแต่กลางๆนั้นโอกาสการะแทกกระทันใจมีน้อยพราะจะมองในแนวของการเปลี่ยนแ ป, งปลงแปร ป, ปรวนในขณะนั้นๆเพราะความยุติ จ, จริงๆมีน้อยในเวทนาที่เป็นกลางๆ มันจะยึดติดในตัวสุขตัวทุกข์มากกว่าที่จะไปยึดติดในตัวกลงกลางหรื อ, อยังอาจจะพิจารณาในแนวที่ตั้นสอนให้พิจารณาอย่างสมัยโบราณเนี่ยก็มีบทสวดสั้นๆก็อย่างน้อยนึกถึงขันดังค่าแล้วเอามาพิจารณาวันละเที่ยวก็ยังดีเจนเวทนาเป็นของไม่เที่ยง เวทนาใดไม่เที่ยงเวทนานั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราอย่างน้อยก็อย่างแท้จริงคือมองในแง่อย่างแท้จริงความยึดติดทางแนวแนวสุขแนวทุกข์ก็จะลดลงไปแล้วตั้งก็พิจารณาเรื่อยไป ในส่วนอื่นก็พิจารณาอย่างนั้นเั่นรูปปางอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงจะดานิจจังตังดุขังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกยังดุขังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตั ว, ใ ช, ตวใช่ตนอย่าดานัตตาตังเนตังมามะเนโซมัสเมินนะั ม, มโซเมย์อตาแล้วท่านจะพิจารณาช้าว่ารูปใดใช่ตั ว, ใ ช, ตวใช่ตน รูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวเจตนของเราท่านจะว่าช้าๆแล้วก็พิจารณาตามไปเรื่อยๆซึ่งทําให้เราเห็นว่าถ้าคิดเรื่อยๆว่าช้าๆหรือพิจารณาภายในใจได้ความหลงหลายครั้งคล้ายยึดติดหรือประสบสุขทุกข์เพราะเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็จะลดลงไป ก็ชื่อว่าได้บรรลุเ ป, ป้าหมายในการเจริญสติปัฏฐานตามที่ทรงแสดงเป้าหมายในดับหนึ่งเอาไว้ว่าสามารถขจัดอภิชาและโทมนัตในโลกลงไปได้อภิชาก็คือสภาพจิตที่คอยควา้าปรารถนาดิ้นรนมากบ้างน้อยบ้างเพื่อได้สิ่งที่ตนอยากได้อยากมีอยากเป็น โทมนัสด้นที่จริงแล้วคล้ายๆจะเป็นอาการของเวทนาเป็นอาการของเวทนาประการหนึ่งแต่ว่าถ้าเน้นไปในเรื่องของความไม่พอใจคือประสบกสิ่งที่เราไม่ไข่ไม่ปรารถนาไม่น่าพอใจแล้วกเกิดทุกเวทนาขึ้นมาจึงกลายเป็นโทมนัสให้เราสังเกตว่าโทมนัสนั้นก็คือว่าไม่ยินดีในอารมณ์หล่อ น, นั้น ใจไม่ยินดีแน่ลมดดันมันเกิดโทปนาเพราะงั้ น, า น, นอาการไม่ยินดีจึงเป็นอาการของโทสะพวกโลภะกับโทสะจึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาอย่างรุนแรงและปรากฏเป็นรูปของความสุขความทุกข์ที่เรียกเวทนาได้ชัดเพราะอั้นนั้นก็ให้มองจากสายนี้แล้วก็บริเทาสายนี้ไปให้ได้ตามกําลังความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ในขณะนั้นๆ แล้วผลคือการเก็บการสะสมก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นผลยั่งยืนก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาตามสมควรแก่การระฝึกปฏิบัติต่อจากนี้ไปก็ขอให้ทั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป